ยังมีสาบอีกจงพวกหนึ่งจะแจก้วยวิปาสรเจนแปงโรคไปต่างๆเมื่อ น, นาทั้งสามไม่ได้คงโรคอยู่เป็นอย่างเดียวสามเหล่านี้เรียกว่าอับยายะาสามอับยะยะสามนี้เป็นนิบัศ บ้างฏิบัตปัจใจว้ า, า, าอุปัดตกเรียายาเศษสานาอุปัดศักมียีสิบตวัวอาที่ยิงเกลืวนอที่ยงิงใหญ่ทราบอานูน้อยไายหลังตาอาปาป ร, รีกิอาปีลิกปีกายบนอาปยงิงจำพ่อข้งนาอาวารือโอลงอาตัว ย, ยิ่งกับความ ทุป่าเข้าไปใกลามานถูกช่วยากมีเข้าลงนี่ไม่มีออง่าทั่วข้างหน้าก่อนออกภาษิชาพะตอบทวนคลางปาระกับความภาริรมวิกวิเศแจ้งต่างสั่งคนกำดีสุดีงามงาย น, บานิบาทนิบาตทนาานสำหรับลงในระหวัง สับบางเกิรยาสับบางบอกอลาปานาการที่ปา ร, ริเชนความไม่ปฏิเสธความได้ยินเล่าหรือความปา ร, ริการความรางความรากความเตือนเป็นตนนี้บาทบอกอาลาปานามีติบตัวยาเกฟันเตปะสันเตพาเน บอกการมีเก้าตัวอาสาครังนั้นอโวชาวเทวาวานสาย่ังเย็นสุเวในวันฮิโยวันวา น, วา น, วานสเสววนันพรง บาดเดนี้อายะติงต่อไปนี่บาดบอกที่มีสิบหกตัวอุดทามเพลิงคนอุปารีเบื้องบนอันตาราระวังอันโตไปลายนที่ิโรปายนองปลายีปลายนองปลายีตาปายนองปายีระปายนอก อ, อ, อัโตเพลองสามเหตุตาปายตาโอรังฝังนา ตนารโมคาลลังราโอนิราณีบาทบอกปริเชตมีสิตัวแกว่าเบียงไรย่าว่าเบียงใดตวะเบียงนันยาว่าเบียงใดนันเตียวตาว่เตว่าเบียงนั้นนันเตียวอยาว่ตามีประมาณเบียงใดทาว่ตามีประมาณเบียงนาวน มีประมาณเท่าใดเตาวาตามีประมาณเท่านัสมตารอพร้อมนี่บาบอกภูไกรนี่บาดบอกปัติเดมีเจตวาไมโนห้มายาวเทียวเทวานเทียวเวนาเวนอาัง นี้บาตบอกความได้ยินเล่าลือมีสาตัวเจรไดยินว่าถ้ารู้ได้ยินว่าสุทารได้ยินว่านี้บาตบอกภริกรรมคาเกเนมีหกตัวเจหกวายาดีพีว่าซาเจตว่าอาซาตว่าอาเปวานามันนูแม่กันไอยานูนะกากะไรานอ น, นี้บาตบอกความท มีแปดตัว่าคิงหรืออะไรคาทังอะไรการทีแม่เลือนหนูนอนอนานหนูมีใจเรือรอุตหูรวะอาตุเรวะอย่างไรนี้นิบาตบอกความรับมีสองตัว อ, อามะเออา วิ่งข้าเจอญเถินสักดิ์เอาเถินหั่น้าเอาเถาเาเินนิบาสัมรับปุกสัมแพายโยมีอาชาเป็นอาเนกมีแปดตัวอาจาด้วยอาหนึ่งก็จริงอยู่ว่าว่าฤบางป่านาส่วนว่าก่อ แม่บางฮีก็จริงอยู่เพราะว่าส่สวนว่าก็อปิจระก็ว่าอีกอย่างหนึ่งนี่าวาสา่าเป็นเครื่องทำบทให้เต็มมีเจ็ดตัวสุดสี่เว่ยเวยูเว่ยกแแล่ว่ววววาตานอหาเวยวยนี่ว่ามีเนื้อความต่างๆมีสามสิเป็ดตัวอ่านยาถตด โดยแท้อาต้อาหนึ่งอาชานทอาวันทอาอรกกลานิจังามนูนนันนานาสังปะ ลายลงปาตายาตั้งก่อนอาวีแชงหุ่นจังสงอิสิเพราะเหตุนั้นว่าดังนี้ประกานี้เชื่อขินชาปีแม้น้อยหนึ่งกะว่าจีบังมิชาปินโมตากาต้สกิงคล่าวเดียวสักตัดตุงร้อยกล่าวาป่าผูธติจําเดิมผู้นาอิ ผู้นักูนามบ่อยๆเป็นโ ย, ยิ่งปินโยโทโดยยิงตัดสิงพร้อมการสาหนกรค่อยๆสาย่เงองสาหาการมสามังเองปัใจัยในอบยะยสามปัจัยนานลงท้ายนามสามเป็นเครื่องมายเวทบางลง ท, าท้ายตาตเป็นเครื่องมายกิริยาบาง ที่ลงท้ายนามสามมีสิเจตัวดังนี้ตปัจจัยเป็นเครื่องหมยายตัดยางวิปัสแปลว่ากลางเป็นเครื่องหมายปัจจะมีวิปัสแปลว่าแต่เป็นต้นดังนี้สัพพโตแต่ตั้งปวงอนญะโตแต่อื่นอัญญสตาระโตแต่อันใดอันหนึ่งอีสาระโต กระตะรักลางเนือ้ออตาระตวกลางลาง ย, ต า, ยตตาตัวแ ต, ต่ไรอมุโตัแต่นุกระตะรตแต่ไรกลัวตัวแต่ไปัจัยทั้งไายคือบตาระตาอาตา ท, าตาทีหิงหังหินจา น, งนางาว่าเกิดมาแต่ไมีมวบานแต่ว่าตา สาเนตสะพัสตาระในทางวงสะพัะทาในทางวงสะพัสติในทางวงยตาระในเอิญยาะในอิญยตระในไดยะธาในไดยะหญิในไดยังในไดตาตาระในนั้น กนคาตาในเดวุปายะราในสองอุปายะาในสองเอตตาในีนอิชัณในเนอิัณในเนกา ตาตาีราวิโสนาตาจะนำชาชาชาโจเป็นเครื่องหมายสตวมีเวปาลงในการดังนี้สัปปตาในการทั้งกวงตาตาในการทุกเมื่อเอกตาในการหนึ่งบางติยาตาในการได้เมื่อใดตาในการนาเมื่อนาน การไรเมื่อไรการจ่าชีในการไหนบางราวอิตานีในการนีเดียวนี้อิในการีเดียวนี้การอาชีในการไหนบางรังอสุนาในการนี้เมื่อคิดอาจาในวันมี ราโจในาวันมีอยู่วนนันนี้ปาราโจในวันอื่นอปาราโจในวันอื่นเองปัจใจที่เป็นกิริยากิรนาโนะคือตาเวนโซนท า, าทาวาตาวานาะ กับทางปัจจัยที่อาเทศออกจากตาวาเป็นอับยะยาแจกด้วยวิปัตไม่ไดอุตสาหด์ดงนี้กาตาเวเพื่ออันธรงมกาตุงความธรรมเพื่ออันธรรมกาตุนาครรมแล้วกตวานามแล้วกาตาวนาามแล้วโจบอับยะยาชาแต่เพียนเท่ต า, ตานี้